Copyright, g o e Thalak München. Fifty languages. Clip, free in many l a n a g e s One. Z. Z. Kon. t s i f k r t s i f k r d i c h a n s สดิฉันและคุณเซร์วัเซร์วัเราทั้งสองเธอจิตเจิตวัตวเขาอาร์เ<ร>ขาและเธอ อรอรอรอารเขาทั้งสองอัครตูรีอัครตูรีผู้ชายขุศฟูขุฟูผู้หญิงบุษฟู บซิฟูเด็กสาบีบครอบครัววูนาวูนวครอบครัวของดิฉันซิวนาววครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ s ิวนาว์มิ ش ش. ชชูิวนาวมิชชดิฉันอยู่ที่นี่ s ซมิชซชคุณอยู่ที่นี่วัมิชวชวมิชวช เขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่อาร์มุชชอิอาร์มุชชิอาร์มุชชอิอาร์มุชชิเราอยู่ที่นี่เตมุชเิชิเตมุชเิชิ คุณอยู่ที่นี่ชมิชซวชช่มิชซวชพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่อาคค์เะจอมิชชิออาคค์เะจอมิชชิอ